พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าสติคํำจุนคนเมตตาธรรมคํำจุนโลกแล้วก็เมื่อวานพระนว ก, กะที่เป็นนักศึกษาแพทย์มหิดลศิริราชปีนี้มีมาบวชเก้าองค์ เป็นนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดมาตั้งแต่วันที่สี่มีนาห้าสี่เพิ่งลาสิกขาเมาื่อวานเลยลาสิกขาเมื่อวันที่เก้าเมษาเดือนกวกว่าทุกปีที่เขาจะประกาศชมรมพุทธพวกนายแพทย์พวกแพทย์ที่จะมาบวชที่วัดของเรามันเป็นปีที่หกลวมั้งแต่ปีที่แล้วนี่ว่างไป ไปที่่อืนปีนี้กลับมาอีกปีนี้หลวงพ่อเองก็ยอมรับยอมรับบอกกับลูกหลานพระนวากะเออหลวงพ่อปีนี้ไม่ได้อบรมลูกหลานเต็มที่เพราะว่าหลวงพ่อเกี่ยวกับงานขององค์หลวงตาลูกหลานเข้ามาในช่วงนั้นพอดีแล้วก็พอเสร็จงานแล้วโอ้หลวงพ่อกับเพียบเต็มทนเหมือนกันต้องการพักผ่อนอย่างมากมาก ธาตุขันมันย่ำแย่พอมันไปพอไปงานของหลวงตารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปั่นป่วนไปหมดนะไม่ได้อบรมเต็มที่นะลูกหลานเนื้อปีนี้วแต่ถึงยังไงหลวงพ่อมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ในวัดให้หลูกหลานเปิดฟังก็แล้วกันแล้วก็เปิดฟัง m อ3อสของหลวงพ่อมีใน แผ่นอยู่แล้วเ อ, เอาไปฟังได้จากนั้นก็ค้นคว้าศึกษาในห้องสมุดในวัดของเราก็มีแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะทั้งฟังเทศก็ดีทั้งค้นคว้าห้องสมุดก็ดีหลวงพ่อว่าให้ถ้าเป็นไปได้ให้ทําให้ศึกษาส่วนนั้นเพียง 20% อีก 80% น่ะให้นั่งภาวนาให้เดินจงกรมให้ปฏิบัติให้หาหลักเข้าสู่จิตใจคือตามปกติชมลมพุทธเนี่ยก็ได้อบรมมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพิธีการปฏิบัติเพียงแต่เข้ามาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้เข้มหวดขวดขันขึ้นในเมื่อเราศึกษาปริยัติอย่างเดียว ศึกษาแต่ในตำรับตำรายอย่างเดียวการปฏิบัติของเราไม่ได้รับความลึกซึ้งในการปฏิบัติมันก็เหมือนกับเราดูแผนที่ศึกษาแต่ในแผนที่ตลอดเราไม่ได้เดินแต่ถ้าเราเดินเราจะได้รับสัมผัสมาเดินไปไกลขนาดไหนใกล้หรือยังใกล้จุดหมายปลายทางหรือยังเราจะรู้แต่ถ้าว่าเรา แต่เรียนเฉยเหมือนก็เรียนปริยัติเมือนก็เรียนแผนที่ไปที่ไหนกันบ้างดูแต่แผนที่เพราะนั้นไม่อยากจะให้ดูแผนที่ให้ดูแผนที่เพียงยี่สิบเปอร์เซนตและแปดสิบเปอร์เซ็นให้เดินให้ก้มหน้าก้มตาเดินแปดสิบเปอร์เซ็นะั้นทได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ดีในเมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเลยหยุดจุดใดจุดหนึ่ง เราก็จะได้รับสัมผัสเออการเดินของเรามามาถึงขนาดไหนแล้วเราก็จะได้รู้เมื่อเป็นครวาญเราก็จะได้เดินต่ออีกเพราะเห็ุรดเพราะเราเดินเรารู้ ว, วิธีการเดินของเราเนี่ยถูกทางแล้วแต่ถ้าว่าเรามีแต่นั่งดูแผนที่ทั้งวี่ทั้งวันกลับออกไปกับเพอเพอไม่เชื่อในแผนที่อีกต่างหากแผนที่นะี่จริงหรือเปล่าก็ามไม่รู้นะ โกหกหรือเปล่ปาก็ไม่รู้แผนที่นีคนโบราณโบราณก็ก็ถือมาเราจะไปเชื่อได้ขนาดไหนแผนที่เนี่ยตั้งสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยเอาไปมากัดลวนเลในจิตใจของตนเองผลที่สุดก็ไม่เชื่อในแผนที่ก็เลยเลาะและไปเพราะเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติแล้วมันเชื่อในใจของตนเองเลย ร, รมำมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ ได้ด้วยตนเอง <Yeah. S 1> เพราะนั้นหลวงพ่อก็แนะนำพระนักศึกษาแพทย์ในลักษณะนี้ให้ลงมือปฏิบัติที่ลงมือปฏิบัตินั้นคืออะไรอันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญะพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดการก้าวเดินการไปมาที่ไหนให้มีสติในการเป็นอยู่อันนี้แหละคืออันดับแรกอยากนันกับบริกรรมด้วยทีนีน้เวลา เดินจงกรมขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโธเป็นลานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโท ท, โ ท, ท, ทําไมถึงจะให้กําหนดลมเพราะลมเน่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็ต้องมีลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีลมแปลว่าคนตายถ้าคนเดินจะเอาอะไรเดินก็ต้องขาเดิน เมื่อขาเดินแล้วก็ต้องบริกรรมขาขวาพุทธขาซ้ายโถนะเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติขณะเวลาเดินบินท่าบาทนะ ก, ก้าวเหมือนกับเดินจะกลมไปเรื่อยอันนี้แหละคือวิธีการฝึกสติเบื้องตน้นจากนั้นพอฝึกการเรียบ ท, ทุกอย่างที่เราพยายามฝึกให้สติอยู่กับตนเอง แต่เมื่อนั่งภาวนาเข้าไปเลยสติมันก็จะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธผลที่สุดมันจะเป็นอัอตโนมัติของมันมันจะเป็นกลายเป็นอัตโนมัติของมันถึงเราจะได้กาหนดหรือไม่กาหนดสติของเราก็อยู่กับตัวเองคนที่มีสติอยู่กับตัวเองเนะี่ยเหมือนกับเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาอ่าเราเฝ้าบ้านมีอะไรเข้ามาเราก็รู้ ขนาดมาแมลงบีมแมลงวันตัวต่อตัวแตนนกหนูปูปีกอะไรเข้ามาเราก็รู้เพราะเราอยู่ในบ้านไม่ต้องถึงว่าคู่คนนักเลงเชื้อช้างอะไรเข้ามานะีอตัวเล็กเล็กเราก็รู้เพราะอะไรเพราะเรามีสติเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดคือเรามีหยุนสติอยู่ในกายตลอดเสียงเข้ามายัางไงเสียงดีเสียงไม่ดี ตาไปเห็นเออเป็นยังไงอากาศกิริยาอย่างไรตีไม่ดีใจของเราจะมีสติรู้อยู่ตลอดนี่แหละอันนี้คือฝึกฝึกสติวิธีการฝึกสติถ้าคนขาดสติแล้วเป็นยังไงคนขาดสติเหมือนกับเราเห็นคนเดินข้างถนนผมยาวๆเน่ะภายของอิลุงตุงนั่งนั่นแหละไปถามอะไรก็ไม่รู้ถามหนึ่งตอบไปหนึ่งถามหตึ่งตอบไปหนึ่งไปไงอันนี้คือคนขาดสติอย่างมาก แต่คนมีสติเป็นยังไงดีไหมนี่แหละไม่ต้องพูดคนขาดสติกับคนมีสติยิ่งมีสติมหาสติมหาปัญญาด้วยแล้วการนึกคิดของใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้หมดอันนั้นเป็นว่าสติสมบูรณ์มหาสติมหาปัญญานี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าเรียนจดเรียนจบ นี่แหลกของบุครลศาสนาเนาะเจนจบเจนจบนีคือเนี่ยเรียนรู้ของใจเรียนรู้เรื่องของใจแต่วิชาทางโลกนั้นเรียนวิถีทางคิดวิธีแนวความคิดของใจวันนี้คิดเรื่อง น, นั้นมาเขียนเป็นตำราเวลาคิดเรื่องนั้นมาเขียนเป็นตำราเวลาคิดเรื่องนั้นไม่รูปเรื่องอะไรตัวมีอะไรวิธีการค้าวิธีการทหารตำรวจ พิภาคสาอายการกฎหมายบ้านเมืองแต่ละประเทศมีเยอะแยะไปสรุปแล้วก็คือเรียนเรื่องอใบกิ่งก้านยอดต้นไม้อันนั้นคือเรียนอของต้นไม้กิ่งก้านสาขาของต้นไม้แต่หลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เรียนถึงรากแก้วรากแก้วของต้นไม้เอ เด้วยแก่นของต้นไม้มันอยู่ยังไงในหลักของพุทธศาสนาพอเรียนเข้ามาหาใจใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างใจทั้งหมดออกออกไปคิดแต่คนทั้งโลกเขาว่าสมองแต่ที่ใช้สมองนั่นคือใจนะั่นแหะใจใช้สมองอีกทีหนึงเหมือนกับเราใช้รถเนี่ยรถมันต้องมีสมองคนทุกวันเนยแต่คนคือไปขับรถสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วกันั่นแหละเราจะให้มันทําอะไร อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟอกอยู่ในกายแล้วก็สั่งสมองสมองก็ทำงานแต่คนที่สั่งสมองนั้นอ่ะโดยมากจะไม่มีใครรู้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านอย่างลึกเข้าไปถึงว่าใครเป็นคนสั่งสมองนี่แหละท่านว่าใจนี่ะตัวนั้นแะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญจุดนั้นแหะจุดใจนั่นแะใจตัวนั้นะ่ะมันสั่งสมองให้ทาอะไร เออโดยมากมันจะไปทางต่ำกิเลสลาค้าบังกิเลสโทสะบังกิเลสโมหาบังโลบางโกรธบางหลงบังอิรุงตุงนั่งเข้ามาเลยพระพุทธเจ้า ม, มันมีอะไรอยู่ในนั้นสาเหตุของมันเพราะอะไรนี่แหละท่านใช้ตปะธรรมศีลสมาธิปัญญากเก่งเข้าไปเลยกันกรองเข้าไปเลยผลที่สุดก็นั่นแ่ะมันอยู่ที่ใจทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเรียนจบ จบที่ไหนจบที่ใจเมื่อจบแล้วท่านว่าเป็นพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วจบ บ, บริบูรณ์แล้วคือพระอรหันต์ท่านนอกจากนั้นลงมาในท่านว่าเป็นเสขะเสขะทั้งนั้นคือพระเสขะ ผ, ผู้ยังต้องศึกษาอยู่จะต้องศึกษาจะต้องหาวิธีการจะต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆ่าดยเป็นพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาถึงจะจบจบปริ ญ, ญาตรีโทเอกกี่แขนงะท่านก็ยังว่าเป็น พระเสขะอยู่พ่ อ, อยังต้องศึกษาแต่พระอาเสขะเนี่ยเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาคือเจนจบเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจนี่ยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้มอบเครื่องมือแพทย์แล้วนะคณะนะสัตยาธิโยมในประกาศให้สัตยาธิโยมเรารับรู้รับทราบว่าวัดของเราได้ช่วยเหลือเครื่องมือ ได้ช่วยอะไรไปบ้างคณะสัตยาญาติโยมในกลุ่มของเราได้รวบรวมจะตุปัจจัยซื้อเครื่องมือแพท ย, ย์คือเครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องผ่าตัดหัวใจล้านห้าเครื่องทางหัวใจห้าห้าแสนห้าแสห้าสห้าสี่แสนห้าแล้วก็เครื่องช่วยหายใจ เคลื่อนที่อันนี้หกแสนสองตัวนะะเต่ตัวหนึ่งเขาถวายตัวหนึ่งเราซื้อเราซื้อหกแสนแล้วก็ปอดหัวใจเทียม ป, อ, ปอดหัวใจเทียมสามล้านสามตัวนี้ยมันใคร้ายกูเป็นกลุ่มเดียวกันนะ่ะมันแยกกันไม่ออกถ้าพาหน้าอกแล้วไม่ใช่ไม่มีเครื่องทางมันก็ทําหัวใจไม่ได้ ในเมื่อมีเครื่องทางแล้วเวลาคนสลบสไลดออกจากเตียงไปแล้วก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ไปส่งถึงห้องไอซูแล้วห้องไหนก็ต้องมีความจำเป็นอีกเพราะนั้นมันคล้ายๆกับมันมันต้องมีปีมีกองลักษณะอยา่างนั้นนะมันต้องไปด้วยกันเครื่องไม้เครื่องมูแพทย์จุดนี้เพราะนั้นพวกเราก็เห็นว่าอุดรยังไม่มีไม่มีเลยอุดรถ้าคนป่วยอุดรก็หนนส่งไปขอนแก่น ส, ส่งลงกรุงเทพถ้าว่าผู้มีเงินก็ส่งเข้ากรุงเทพไปไปเองไม่ใช่ส่งถ้าผู้ไม่มีเงินกับรัฐบาลพวกโรงพยาบาลก็ส่งเข้าขอนแก่นไปบนลูนบ้างไปใบาพาดบ้างแต่ของเราในใบาพาดที่เครื่องตัวนี้เพราะนั้นทางคณะแพทย์เขามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับก็ได้มอบนั่นแหละมอบมอบเมื่อเดือนสิงหาอะไรเ ล, ลสิงหาและธันวา พอมอบเสร็จแล้วก็เขายังไม่เก็บเงินพราเราต้องใช้เครื่องมือเขาก่อนพอใช้เครื่องมือเขาแล้วไม่มีไม่มีปัญหาพราะไม่มีปัญหาแล้วเขาก็มาเก็บเงินเมื่อวานเขาก็มาเก็บหลวงพอ่อได้เตรียมดวงเตรียมรับให้เขาแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วเครื่องมือตัวนี้ทั้งหมดสี่รายการเป็นเงินห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืน เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะอนุโมทน า, าที่พวกเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะที่แกตรงพ่อก่อนเงินห้าล้านกว่าเกิดหนักใจเหมือนกันนะข่าวนี่ละจะไดเอาวัดเข้าจำนองธนาคารมาวะแต่ผลที่สุดก็หลุดไปได้ว่บงั้นเละผ่านไปได้ไม่มีอะไราลาบเปรียบลาบปรึนนั่นน่ะอันนี้ก็คือเครื่องมือ แต่ยีกไม่นานเนี่ยก็ทราบว่าวันสงวันที่ยี่สิบเจ็ดที่จะถึงเนี่ยก็จัดทายาติโจมเขาก็ถามว่าหลวงพ่ อ, อจะเอารถไหมวะอ้ า, า ว, าวอันใดคนนี้เหรอวะเ่ก็จะเนี่ยรถโรงพยาบาลคืออำเภอนา ย, ยูงของเราเนี่ยเวลาคนป่วยขึ้นมาก็ต้องส่งคนป่วยเข้าโรงพยาบาลสูงอุดร แต่ในรถของเราก็อย่างว่ารถคันเดียวก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอยู่ข็น่าจะมีรถทางไกลอีกต่างหากน่าจะมีรถสักมารับใช้สักโรงพยาบาลสักคันเขาถวายมาหลวงพ่อเอ อ, เ อ, อรับอันนี้ก็คงจะมอบในวันที่ยี่7หกยิบเจ็ดที่จะถึงเนี่ยรถแอมบูลน์ราคาก็ล้านเจ็ดแสนห้าหมืนมาแล้กันเนี่ย อันนี้ก็สั่งเรียบร้อยแล้วละ่ะอีกไม่นานก็คงจะมาไปจำการที่โรงพยาบาลอำเภอนายุงคณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกศิษย์ลูก้านะ่ะนี่แหละคืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนอีกต่างหากนะแต่หลวงพ่อบรรยายให้ฟังนะก็คงจะไม่ได้ฉันจังหันวันนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้มองข้ามชุมชนสังคม วัดว่าศาสนาอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้เนต่างคนต่างค้ำจุนชึ่งกันละกันโลกทั้งโลกก็ออมองกันก็ได้ความยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสผ า, าสุขกแต่ถ้าว่าใครก็มีแต่โลภโกรธไม อ, อมีแต่เห็นแก่ตัวไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ก็อยู่ด้วยความลาบาก อยู่แบบชังกระตายแบบยืนโดเดยมีแต่ด่วงมีแต่หนอนมีแต่ตัวตุนตัวหนูเกาะติดกัดแทะคนต้นไม้ตันนั้นต้นไม้ตันนั้นก็อยู่แบบโดเดยอยู่อย่างนั้น่ะเพราะเหตุไรเพราะไม่มีใครบำรุงรักษาแต่คนในชาติช่วยกันบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยใส่น้ำดูแลทุกคน ประเทศชาติก็เขียวชอุ่มเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ใครอยู่ณนะสถานที่ใดก็ได้พึ่งพาอาศัยร่มเย็นเป็นสุขทนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราช่วยกันรักษาเห็นไหมองค์หลวงตาของเราท่านช่วยสงเคราะห์ขนาดไหนดูประวัติของท่านไม่ใช่น้อยเลยสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงร่าาโรงเรียนสถานที่ต่างๆหมาพิกงหมาพิการท่านก็ยังช่วย ผลที่สุดท่านช่วยประเทศชาติพินกรรมของท่านเขียนออกมาไว้เลยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาในงานศพของเรามาทำบุญในงานเผาศรีระไปชุมเพลศรีระของเราให้เอาเงินจำนวนนั้นซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมดอย่านําเงินนั้นมาใช้ประดับตกแต่งศพเมนของเรา ศพของเราสรีระของเราใช้ฟืนเผาอย่าเอาเงินมาใช้ท่านบอกชัดเจนพวกเราก็ปฏิบัติตามนั้นใครๆที่แรกเขาโอจะได้เงินขนาดไหนไม่กี่ร้อยกีย่พันหรอกไม่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเพราะกูบาลจานแต่ละองค์ก็มาอย่างมากก่อนไม่ถึงสิบล้านแต่ละองค์ที่เผามาแต่ที่ไหนของหลวงตาเนี่ยท่านมองเลย อนาคตตังสยานของท่านท่านรู้แหละเงินทั้งหมดเท่าไหร่เงินทั้งหมด4ี่รอยกว่าล้านสี่ร้อยกว่าล้านนะคณะสตรายาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อเข้าไปอยู่ในจุดนี้รู้464สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านทองคำเฉพาะทองคำอีกหนึ่งร้อยสิบกว่ากิโลที่หย่อนตู้แล้วก็เงินลงขันจัดงานอีกพวกคณะสิทยิญาณวิสิทติดเป็นฝ่ายพระเลยต้องลงขัน พราพอไม่เอาเงินจุนนั้นเอาเงินลงขัน เ, เพื่อใช้ในงานลงตายอันนั้นก็สี่สิบสี่สิบเอ็ดล้านนี่แหละสรุปแล้วก็คือลงตาท่านมองเห็นแล้วถึงจะไม่มีถึงจะไม่ใช้เงินที่คนมาบริจาคมาทำงานเนี่ยพวกสู้เจ้าช่างหลายที่เป็นลูกศิษย์เราอย่าโง่นะท่านะาก็คงอย่าบอกคิดอย่างนั้นคงไม่โง่ะเพราะนั้นพวกเราจึงลงขันกันอีก เพื่อจัดงานลงตาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นทุกอย่าง น, ะนี่แหละลงตาท่านช่วยประเทศชาติจนเฮือกสุดท้ายทองคําจะได้เท่าไหร่ลงพอดเขาบอกว่าตันที่สิบสามเนี่ยตันที่สิบสามยังขาดอยู่ร้อยร้อยสิบกิโลตันที่สิบสามอันนี้แต่เดินอาจจะเต็มหรือก็ไม่รู้นะพราะคนเห็นว่ามันขาดก็ต่างคนก็ต่างมาช่วยกันอีลงตุงนางกันอยู่ แต่ในวันที่สิบเก้านี่ยแหละหลวงพ่อจะเข้าไปไประชุมอีกเพื่อจะไปรับทราบตามพินัยกรรมของหลวงตาและกับยอดทองที่จะถวายเข้าคลังหลวงนะเป็นเท่าไหร่หลวงพ่อก็คงจะรับทราบใ น, ใ น, ใ, นในช่วงวันที่สิบเก้าจากนั้นก็จะมอบทองเมื่อไหร่หลวงพ่อสุดท้ายเนะี่ยวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดพฤษภาเวลาสิบเอ็ดชั่วโมงที่สวนแสงธรรมนะทาไม หลวงพ่อจะไม่เอามามอบอที่วัดป่าบันตาดคณะกรรมการเขาบอกว่าคณะเพียงขนย้ายอย่างเดียวจากกรุงเทพขึ้นมาุบันตาดข่าวที่แล้วยนะหมดไปสามล้านสมัยหลวงตายังมีชีวิตอยู่หลวงตาไม่มีปัญหาเงินสมล้านท่านมองไปที่ไหนลูกศิษย์ก็ยกมือขึ้นมาถวายท่านไปเลยแต่ไม่มีหลวงตาเงินสาล้านใครจะเป็นคนรับผิดชอบมันก็ยากเหมือนกันนะอพอท่านก็เลยเอา เอาที่ง่ายๆดีกว่าถึงยังไงยังไงก็เป็นทองของหลวงตาอย่างเกา่านั่นแต่ะจะมอบพิไหนก็คือทองหลวงตา เ, เลยก็เลยไปมอบที่สวนแสงธรรมวันที่เจ็ดพฤษภาเวลา11บเอช่วทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นประธานฝ่ายบ้านเมืองจากนั้นเขาคงจะมีแบงค์ชาติกูบาอาจารย์ไปร่วมกันทอดเป็นมอบทองเข้าครังหลวง ุบแล้วก็คือคงจะขาดสิบสามตันสิบสามตันเป็นเงินเท่าไรลูกหลานนะเป็นหลักโนดของประเทศชาติเป็นเช่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยนะผลงานขององค์หลวงตาของเราท่านช่วยประเทศชาติขนาดไหนนะถ้าว่ามีหลวงตาเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศมีความเห็นแบบหลวงตาทั้งหมดแนะนำสั่งสอนสงเคราะห์อนุเคราะห์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เออตั้งเจ็ดสิบกว่าองค์เนี่ยหลวงพ่อว่าโอ้ประเทศชาติเนี่ยเออดูสักรู้สึกจะร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะแต่ขณะที่หลวงตามรณะภาพนะหลวงตามรณะภาพนะสลีละของหลวงตา ย, ยังอยู่หลวงพ่อไปฉันที่ร้านเขาวเหนียวไปฉันพระสงฆ์ไปหลายองค์มนะ้วไปฉันที่ร้านอาหารโอ้หลวงพอ่อตั้งแต่หลวงตามรณาภาพมาเนี่ย ชูรานี่ขายไม่ออกเลยนะหลวงพอ่อไม่ใช่ตะลานผมนะในเมืองอุดอรเนี่ยขายไม่ออกแสดงว่าคนชาวอุดอรเนี่มีน้ําจิตน้ําใจทุ่มเทให้แก่องค์หลวงตาบูชาพระคุณหลวงตาสิ่งที่มันไม่ดีลูกหลานทั้งหลายไม่ทำนะหลวงพอ่อเลยสรุปลงอย่างนั้นคิดว่าลูกหลานชาวเมืองอุดอรเนี่ยเคารพพระเคารพในองค์หลวงตาอย่างมาก ผมถามแล้นะไม่ใช่ต่้านผมนะร้านอาหารร้านผมในระ้านใหญ่มากแนะต่บางทีมันก็ขายลงขายเหล้าแต่ผมก็ไม่ได้นั้นหรอกแต่ว่าพวกเขานะแต่ก็ถามร้านอื่นดีเขาว่าขายไม่ออกเหล้าในขณะที่หลวงตาเฉลี่ยละของหลวงตาอ ย, ยังจัดงานหลวงตา ย, ยังไม่นั้นนะ่ะหลวงพ่อได้ยินก็เออภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวอุดรอย่างสำนึก ยังสำนึกว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษสิ่งควรไม่ควรยังอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่ใกล้ร่มโพร่มใสขององค์หลวงตาหนะลวงพ่อส่วนหนึ่งหลวงพ่อกับภูมิใจเหมือนกันนะต่ อ, ตอนนไปับพรนะเจ น, นีโนนะอนุโมทนาให้พร